นิทานเรื่อง ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งในเขตมะขดมี ออกไปหายืนตอนที่ลูกนกคุ่มเกิดมา เมื่อไม่มีเราไงล่ะแม่ไม่มีร้าวไงล่ะแม่จริงด้วยเจ้าจะ โดยปล่อยลูกนกให้นอนอยู่ในรังตามลําพังเออ พอกินนะลูกนะเดี๋ยวติดคอไงในลูกไม่พ่อแม่ จากนั้นไม่แต่เริ่มแห้งแลงฤดูหนาวก็มาเยือน ที่หนีไม่ทันก็ต้องตาย แม่กลุ่มจันเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีไฟป่าอีกหรือเออ ลูกนกคุ้มเกิดก่อนฤดูหนาวเล็กน้อยแม้ๆ แม่นกปลุกพ่อนกให้ตื่นขึ้นเออวันนี้แม่อยู่กับลูกได้มะเนี่ยพ่อ จะได้ยืมพ่อเองก็จะได้ไม่ต้องบินกลับไปกลับมาหลายเที่ยวให้ลูกเยอะๆพ่อเองก็จะได้ไม่ล่ะ แม่นกเบียดตัวเข้าหาลูกพ่อนกเองก็มองออกไปนอกรังแสงเงินแสงทอง พ่อนกจึงจำใจต้องพาแม่นกออก ยังคงหาเรื่อย หาเข้าใจดีๆหน่อยมาจ๋าอย่าเพิ่งเป็นลมไฟป่าน่ะ แล้วฉากหีทวางแล้วเข้าไปชนิด ทางบนดินและบนอากาศมีเสียง ลูกนกคุ้มฟังเสียงร้องบอกภัยเสียงร้องไห้และเสียงไฟ แล้วก็ทําให้นึกถึงความตายหนึ่ง และเมื่อไม่เห็นที่พึ่งอื่นก็หวนนึกถึงพระ เป็นเครื่องป้องกันภัยให้แก่ตนเอง หาเจ้าจึงก็หยุดอยู่แค่นั้นกลับดับไปเถิดหลังจากไฟป่าสงบแล้วพ่อนกแม่นกกลับมายังรัง เห็นลูกนกคุ้มปลอดภัยต่างดีใจส่งเสียงร้องทักเจ้ยแจ้วนกคุ้มปลอดภัย